เรามีกายมีจิตไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะเป็นทุกข์เรามีกายมีจิตเอาไว้สิ้นทุกข์บอกตรงว่าหัวข้อนี้ชอบมากเลย <c oughs> การบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยมันเนี่ยชอบหัวข้อเนี้ยไม่ทราบว่าคนที่ตั้งหัวข้อนี้นี่น่ากลวไม่ธรรมดา <c oughs> มันเป็นหัวข้อที่เจี๊ยบขาด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 คือบุคคลที่มีความทุกข์บีบคั้นจนทนไม่ได้จึงคิดจะหาทางออกจากทุกข์ด้วยการมาปฏิบัติธรรมคือทุกข์บีบคั้นหนักอยากจะดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ให้ได้อุมปมาไม่อย่างกับว่าเขียดน่ะอยู่ในปากงูกเห็นไหม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 แม้แต่ความสุขเนี่ยก็มองเป็นความทุกข์ได้เพราะว่าความสุขเนี่ยมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์แล้วเราก็หาความสุขมากลบเปลี่ยนและความสุขมันก็ไม่เที่ยงก็กลับกลายมาเป็นทุกข์ได้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะทำํำยังไงที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็จะหันเหตชีวิตมาปฏิบัติธรรมผู้นี้นจะมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงมากสนใจเรื่องธรรมะเรื่องพระศาสนา แล้วก็จะไม่มีวันที่กลับไปใช้ชีวิตแบบทางโลกอีกแล้วบุคคลประเภทนี้หมายถึงบุคคลที่ล่วงการผ่านว้มาสังกตได้ว่าเรียนรู้ชีวิตจนเจนจบแล้วก็จะเริ่มมองชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคือผู้ที่มีปัญญาถ้านูฟังจัดอยู่ในประเภทไหนพอจะจัดได้ไหมประเภททุกข์บีบคั้นหรือประเภทที่เห็นทุกข์กระทั่งจะออกจากทุกข์ หรือยังหาคําตอบไม่ได้ถ้าไม่เป็นไรเราก็ฟังไปก่อนอันที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองประเภทเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเลยมีความทุกข์เป็นพื้นฐานล้วนแต่ถูกบีบขั้นทั้งนั้นแนหะทําให้เกิดศรัทธาทุกข์ทำให้เกิดศรัทธานะพยายามจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไม่มีวิธีอื่นนอกจากหลักธรรมะ ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าโดยชีวิตจริงแล้วสัจธรรมแล้วกายกับใจเนี่ยคือที่ว่าตัวเราหรือเรียกว่าขันห้าก็ได้เคยได้ยินไหมคำว่าขันห้าขันห้านี่เป็นภาษาบาลีก็หามายถึง ก, กายกับจิตนี่แหละก็คือตัวเรา มันประกอบด้วยรูปประขันรูปอระขันคือเรื่องของกายเรื่องของจิตก็คือนามาขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูป1เวทนา2สังขาร3วิญญาณ4สัญญา5จรจงเ้าเรียงเป็นรูปเวทนา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 เมอรู้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยึดติดแล้วก็ปลาวางในที่สุดทีนี่จะทํายังไรนะที่จะเอาจิตมารู้จักตัวเรามันจะต้องมีการปฏิบัติมีรูปแบบของการปฏิบัติอันนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้นของการปฏิบัติทำก็ต้องอาศัยเรื่องของการเจริญสตินี่แหละทําไมต้องเจริญสติ <c oughs> เป็นเพราะว่าจิตของเราเนี่ย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 ธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบที่จะดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกไปสู่อารมณ์ที่น่าใคร่ถูกไหมธรรมชาติของจิตเนี่ยก็จะดิ้นรนกวัดแว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกไปสู่อารมณ์ที่ใคร่จิตเราเป็นอย่างนั้นไหม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 ยิ่งฟุ้งซ่านมากคิดมากจิตก็จะหมกกาลังจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจเห็นไหมพดเหนื่อยใจเพราะว่าจิตไม่อยู่กับเล่ห์กับตัวเหนื่อยกายเนี่ยพักเดี๋ยวเดียวมันก็หายแต่เหนื่อยใจเนี่ยบางทีทั้งคืนมันก็ไม่หายเรานอนเหมือนจะหลับแต่มันไม่หลับเพราะจิตมันไม่ยอมหยุดกายมันนอนนิ่งแต่จิตมันไม่ยอมหยุดเมื่อเรานอนไม่เต็มตื่นเนี้ยพรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่กายเป็นหลัก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 จะมีแต่จิตธรรมดาธรรมดาที่พร้อมที่จะหลงลืมถ้าคนจิตต่อเนื่องบ่อยๆเขาเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้ดูขึ้นมานะถ้าเป็นจิตผู้รูนี่ปลอดภัยนะเนี่ยปลอดภัยแล้วทุกจะกล่ํากายไม่ได้ละตอนนี้มันจะมีทุกก็จะเพราะทุกทางด้านร่างกายจิตใจก็จะไม่ทุกจิตผู้ดูเนี่ยมันจะดูอะไรอนะ่ะมันก็ดูกายเราอ่ะ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 คนที่ตายแล้วเนี่ยมันก็มีกายเหมือนกันมันรู้อะไรไหมมันนอนนิ่งเอาไม้ไปติ้มมันก็ไม่เจ็บเอาไฟไปรนมันก็ไม่ร้อนกายเนี่ยจะไม่รู้อะไรไอ้ที่รู้ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตเป็นผู้รู้น่ะฮะถูกไหมเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจอ๋อธรรมชาติของกายเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันไปนเียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เท่านะั้น แต่ผู้ที่รู้ผู้ที่ดูคือจิตจิตธรรมที่รู้กายธรรมที่ถูกรู้เห็นไหมเรานั่งนานๆเนี่ยรู้สึกเมื่อยไหมกายไม่เมื่อยหรอกแต่จิตเป็นผู้ที่รู้เมื่อยเวลานอนหลับเราไม่รู้เลยว่ามันปวดมันเมื่อยเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ทำงานจิตมันมัวแต่ครุ่นคิดไปในอารมณ์ที่ครุ่นคิดคือเรื่องของความฝันมันไม่รู้หรอก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 และความอยากทําให้จิตมันดิ้นลนเวลาปฏิบัติเวลาจาสติก็เพ่งเห็นไหมเพร อ, อยากแล้วต้องเพ่งพอเพ่งมันก็มีการกดข่มก็มีความเครียดปวดศีรษะแน่นนะอกคลื้นไส้าอาเจียนนอนไม่หลับทุกตะงา น, นเลยถ้าทําผิดแล้วก็จะเป็นทุกข์เห็นได้ชัดเจนบางคนทําแล้วไม่พัฒนาคนที่ปฏิบัติแล้วไม่พัฒนาเนี่ย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 บางทีเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราไม่เคยสมัมผัสมาก่อนถ้าท่านสามารถตั้งใจฟังได้จนกระทั่งบัดนี้ถือว่าไม่ธรรมดา น, นะเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยฟังไม่รู้เรื่องก็ได้กุศลเหมือนกันที่ได้ฟังฟังไว้จะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราได้ยินนี้มาก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่เห็นประโยชน์ไม่เป็นไรหรอกเก็บเอาไวา้ว่าเนี่แหละคือทางแห่งความพ้นทุกข์คือการมารู้กายรู้จิตเนี่ย ผลก็คือถ้ารู้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะสิ้นทุกกับทุกๆคนเนี่ยที่อยากจะชวนท่านรู้ฟังเนี่ยลองฝึกเจรู้สติดูคงจะไม่ลบกวนเวลามากเนาะลองฝึกเจตรู้สติในรูปแบบดูก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากใครบอกการปฏิบัติธรรมนี่ยากเนี่ยขอคัดค้านการปฏิบัติที่ง่ายการปฏิบัติที่ง่ายมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรา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 ยุบหนอหายใจเข้าออแล้วก็พองหนอหายใจออกก็ยุบหนออันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติเหมือนกันเป็นแบบฝึกเหมือนกันเป็นรูปแบบเหมือนกันเราจะใช้วิธีกา ร, เ, รเวทนาในร่างกายให้มีสติอยู่กับทุกเวทนาทางกายอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในรูปแบบหรือการเคลื่อนเคลื่อนไหวๆไวและมีสติตามรู้ อันนี้ก็รูปแบบรูปแบบต่างเน้นมีไว้เพื่อให้เราได้ฝึกฝนแล้วแต่จริลุว่าใครชอบรูปแบบไหนแต่ละอย่างแต่ละรูปแบบนั้นเริ่มต้นในการเจริญสติทั้งนั้นคือการเริ่มเจริญสติทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีสติแล้วก็มันจะเข้านิพพานไม่ได้จะสิ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าขาดสติเมื่อไรใจแล้วก็คิดฟุ้งซ่านนะออย่างว น, นี้เดี๋ยวลองเริ่มดูซิ ทำใช้ใ ส, บสบายอย่าไปเกร ง, งอย่าไปเครียดการปฏิ บ, บัติธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา <Yeah. S 1> คิดว่าในห้องเนี้มีเราอยู่คนเดียว <Yeah. S 1> เราจะเจาระสติแบบเคลื่อนไหวโดยการมีสติมารู้กายก่อนไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาแต่ขอให้ทอดสายตาลงต่ำนิดนึงตอนนี้ไม่ได้ใช้สายตาไม่ต้องก้มหน้าทอดสายตาลงต่ำนิดนึงเหมือนพระพุทธรูป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 กรรมมือแบมือทำไปเรื่อยๆทำความรู้สึกตัวไปอาการกรรมและก็รู้สึกแบแล้วก็รู้สึกอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรนะให้รู้สึกล้วนๆกับมือที่มันเคลื่อนก ร, รมเคลื่อนแบให้รู้สึกที่การเคลื่อนเคลื่อนไหวๆที่มือกำลังกรรมกำลังแบทำช้าๆ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 แต่เรามาเจตนาและก็ใส่ใจที่จะรู้ที่มือกําลังกรรํา <c oughs> กําลังแบรรู้สึกเบาๆสบายสบายอย่าไปเพ่งมัน <c oughs> ถ้าเพ่งมื่อไหลใจเราจะเครียดทันทีเลยทําเล่นๆแบบผ่อนคลายถ้าใครรู้สึกไม่ชัดให้กำแน่นๆแล้วก็แบแรงๆเนี่ยกำแรงๆแล้วก็แบรแรงๆหน่อย กรตุ้นให้จิตมันตื่นให้สติมันเกิดรู้ได้ชัดเจนถ้ามันคิดไปปิ๊งไปเลยกลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่มือกําลังเคลื่อนเ่อนไหวๆกำก ำ, กำแบ๊ๆอย่างเงี้ยเอากายคือส่วนของมือเนี่ยมาเป็นหลักให้สติที่เข้าไปเกาะไวะ้แต่การเกาะนี่อย่ากเกาะแน่นเกาะแบบแตะๆรู้อยู่ห่าง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 ถ้าจิตไม่คิดก็กลับมารู้กายที่มันเคลไวไวื่อนไหวเบาๆทําเล่นๆนแบบผ่อนคลายเราจะนั่งรอใครเราก็มารู้สึกตัวกับการกํา ม, มือแบมือเข้าที่ประชุมยว่ว่างๆแล้วก็ไม่ต้องคุยกันเรากลับมาเคลื่อนไหวมือแล้วก็รู้สึกตัวไหม <S <S เป็นการปฏิบัติทําได้ตลอดทั้งวันเลยทันที่จะนั่งรอใครนานๆจิตมันจะเบื่อจะมุ้งซ่าน จะไปสนใจมันกลับมารูล้ลงไว้ที่มือที่กำกำแบบแบเบาเบาถ้าเรารู้มือเคลื่อนไวหว้ต่อเนื่องในรูปแบบเนี่ยนะเมื่อจิตมันคิดเนี่ยสติมันจะเห็นทันดีจะกลายเป็นจิตผู้ดูดูกายที่มันขึ้นเคลื่อนไห ว, ไวแล้วต่อไปมันจะเห็นจิตผู้คิดมันมาปรุงแต่งกายเป็นสิ่งที่ถูกดูจิตเป็นผู้ที่ดูผู้ที่รู้เห็นไหม มันเกิดการแยกกันบ้างไหมกายที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกจิตผู้รู้เนี่ยรู้กออกมาจากข้างในแต่ไม่แยกก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดให้มันแยกคิดให้มันแยกเนี่ยมันไม่แยกหรอกเราไปเพียงการเริ่มต้นใหม่ๆทีนี้เราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ที่มันเคลืนเคลื่อนไหวๆก็ไปการจลศีรษะทั้งนั้นเอาละ่ะไหน ใ, หใครไม่รู้สึกตัวบ้าง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 เพราะว่าจิตหรือสติเนี่ยมันก็มีเที่ยงมันก็มีเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกแต่มันดับไปแล้วสติเนี่ยจะเกิดเร็วถ้าเราฝึกบ่อยๆมันหายไปมันจะเกิดได้ไวมันจะไม่หายเป็นนานเราลดลงสติแล้วมันจะมาได้ไวถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติอย่างเงี้ยชีวิตเรามันจะเบานะที่เราเปลี่ยนสมมตินะถ้าเราไม่อาศัยการกรรแบหรือเคลื่อนไหวมือเนี่ย เราจะใช้วิธีการเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมคืออะไรไม่ใช่เดินหมุนๆเดินจงกรมคือเดินอย่างมีสติเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างมีสติเรียกว่าเดินจงกรมในรูปแบบอาจจะใช้การก้าวอาจจะเป็น9 9าหรือ1ิบกาว9กก็ได้เดินกลับไปกลับมาแต่เดินจากมีสติ เมื่อเราเดินจงกรมเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการระลึกรู้เรานั่งอยู่เนี่ยมารู้นวิธีการเคลื่อนไหวของมือใช่ไหมเวลาเดินได้เปลี่ยนมารู้นธการเคลื่อนไหวของเท้าการก้าวแต่ละก้าวให้รู้สึกตัวแต่ละก้าวให้รู้สึกให้รู้ว่าขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้เรากําลังก้าวกลา 9, กลังก้าวให้รู้สึกตัวกายที่มันก้าวเดินนั่นคือสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่เราเดิน กายมันเดินแต่จิตเป็นผู้รู้ว่ากายเดินเห็นไหมมันแยกกายแยกจิตได้ที่เราเดินจงกรมได้ซ้ําไปมันต้องแยกกันเพราะว่าจิตกับกายเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันจิตทําหน้าที่รู้กายทําหน้าที่สูกรู้เห็นไหมเดินจงกรมก็รู้ได้ถิ่นที่หาเราทํานอกรูปแบบเราเดินจงกรมแล้วเราเปลี่ยนใหม่เราเดินเข้าห้องน้ําเดินอย่างมีสตินั่นเป็นการเดินจงกรมเหมือนกัน เดินจงกรมคือการเดินยังมีสติรู้สึกตัวเราเดินจงกรมสักสิบเที่ยวแต่เราขาสติสู้การเดินเข้าองน้ําและมีสติไม่ได้นั่นคือการปฏิบัติที่แท้จริงกายเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดให้มีสติรู้เวลาจิตมันคิดปรุงแต่งในเรื่องอะไรก็ตามให้มีสติรู้ขอข้าเพียงรู้ทันอาการของกายอากางของจิตทั้นนั้นอันนี้เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ถ้าว่าเราเดําเนินชีวิตด้วยการมีสติตามรู้อยู่เสมอๆ เ, เนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะผ่อนคลายผ่อนคลายกับการทํางานเพราะถ้าที่จิตจะไปคิดปรุงแต่งจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างมีสติจิตมันก็ไม่เครียดไอ้ที่เราทํางานเราเครียดเพราะจิตเราคิดไปปรุงแต่งนะพอเริ่มทํางานปับ๊บจิตก็เริ่มคิดแล้วงานจะเสร็จไหม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 ความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ความเบิกบานใจในขณะที่เราทำงานนี่เป็นการปฏิบัติทําได้ตลอดเวลาเลยในขณะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทุกวันเนียเรามีสิทธิได้คุมประพฤติตัวเราเองหรือเปล่าเรามีกายมีจิตเรามีสิทธิได้เป็นเจ้าของไหมได้ควบคุมกายควบคุมจิตเราไหม ทุกวันเนี้ยเรามีกายมีจิตแต่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตที่แท้จริงเราปล่อยให้กิเลสมาคุมประพฤติกายจิตเราใช่หชเรามักคัทำตามกิเลสพูดตามกิเลสคิดตามกิเลสเราไม่เคยเป็นเจ้าของตัวเราที่แท้จริงเลยกายเป็นธาตุรับใช้จิตจิตตกเป็นธาตุรับใช้กิเลส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 แล้วก็ไม่คิดปรุงแต่งต่อเติมตามก็ได้มันจะเป็นอิสระชีวิตจะเป็นอิสระตรงเนี้ยตรงที่มีสติคุมประพฤติกายวา จ, จาใจให้เป็นปกติปกติของกายคืออะไรคือไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรานั่นคือปกติของกายเรียกว่าเรามีศีลแล้วนะ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 เห็นว่าสมงวรเก็บเวลาแล้วเนาะก็น่าเห็นใจนะที่บางท่านก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะฟังไว้เราก็ได้บุญเหมือนกันบุญเกิดจากการฟังธรรมะผู้พูดนี่ก็มีความตั้งใจเหลือเกินพยายามอยากจะพูดให้ท่านเนี่ยเข้าใจถึงจะไม่เข้าถึงก็ไม่เป็นไรเข้าใจไว้ก่อนก็ดีกว่าที่เราพูดที่ไร้สาระ